องความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมบุถทยานกำลังนำเสนออนุรักษณะประทานคือเพียงพยายามรักษากุศลคือความดีที่มีอยู่แล้วไม่เสื่อมไปก็ได้นำเสนอเรื่องเมตตาแล้วก็พรไม่ิหารจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเนะที่มัน สร้างปัญหาขึ้นภายในสังคมเพราะเราไม่รักษาธรรมะเหล่านี้และษณะที่เป็นจิตวิญญาณของความเป็นคนไทยเนี่ยมันได้จางหายไปโดยไม่น่าเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการลอกเลียนความคิด ม, คมาจากต่างชาติมากไป ไอ้สูดน้ำใจแบบไทยๆเนี่ยไอ้ออป้อมอารีกันเือเพื่อเผื่อแผ่กันปลูกเมตียารู้รางสร้างกุศลยารูรยอะไรต่ออะไรต่าง ๆ, ๆเนี่ยมันหายไปหมดมันไม่ใ่หมดหรอกแต่ว่าหายไปก็เห็น ว, ว่าความอาการยิ้มแย้มแจ่มใสแบบไทยๆเนี่ยมันก็หายไปหายไปเยอะไม่ใช่หายไปทั้งหมดหรอกว่หายไปเยอะ และการไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ยากขึ้นมันผีไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้มันมีหลักการอย่างหนึ่งที่น่าศึกษาทบทวนนะท่านทั้งหลายที่เคยอ่านเรื่องพระร่วงซึ่งเป็นแสดงให้เห็นทรงการต่อสู้เพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองของยุคบรรพชน เป็นการสะท้อนจิตวิญญาณของบรรพชนไทยที่หล่อหลอมยังน้อยก็สื่อสัมผั์กันเดี๋ยวใจถึงใจกันมันสามารถสร้างบ้านเมืองให้เป็นสุขอุไยคือความความสุขที่อุไยขึ้นมาได้คุณสมบัติเหล่านี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสรุปไว้ในตอนท้ายตอนก่อ น, อ น, อนจบเรื่องนะจบเรื่องพระร่วงแล้วมาได้นำไปลงไว้ในตอนหลังของหนังสือมายกจ้องอย่าเหยียบย่ำพะเรามีความรู้สึกจริงๆว่าพออ่านร่างพระราชบัญญัติไปฏไิรูปการศึกษาแล้วเนี่ยมันเคยสลด ใจยังไงไม่รู้มันคล้ๆกับจิตวิญญาณของไทยมันหายไปเยอะแล้วเรานึกภาพของสังคมสงฆ์ภาพของศาสนาในวไปต่อไปว่ามันจะเป็นไปยังไงมันก็นึกไม่เคยออกแล้วในแวดวงของพระเองก็รู้สึกเป็นห่วงที่จะปรับตัวเองให้อยู่ได้ท่ามกลางการรูปการศึกษาเนี่ย เรามาเองตอนนี้ก็ได้รับอาราธนาไปบรรยายในต่างจังหวัดหลายแห่งในเรื่องเนี้ยประเด็นเนี้ยประเด็นที่ว่าประสังคติการควรปรับปรุงตัวเองอย่างไรหรือว่าควรจะวางตัวอย่างไงในยุคที่มีการไปรูปการศึกษาเ น, นี่ยตรงเนี้ทหารของเราดึงเอคุณสมบัติดั้งเดิมของความเป็นชนชาติไทย แม้แต่ที่ปรากฏในเพลงชาติเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นสิ่งดีงามและเป็นจิตปัญญาของความเป็นคนไทยทันสะท้อนออกมาให้เราเห็นว่าสามคัคคีเสียสละกล้าหารรักสงบแล้วก็ไปพนวกกับคำรู้จักประสารประโยชน์ แต่ถ้าเราดูให้ดีว่าเวลาเนี้ยสามัคคีเป็นยังไงบ้างอ น, นวยเล็กๆภายในบ้านเนี่ยบ้านเป็นสวรรค์วิมานได้ไหมอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคีแต่ละฝ่ายก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีลูกก็ทําหน้าที่ของลูกสามีพรนญาก็ทําหน้าที่ต่อกันอยไดงดีแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าใจกัน คือไม่ใช่เป็นเลงผลเลิศอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสมมติว่าพ่อมีภารกิจพ่อแม่มีภารกิจในการหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยไอ้ลูกจะเรียกร้องการดูแลใจใส่จากพ่อแม่จนตอนพขาทิ้งการงานหมายความมากรดคอกันจมน้ําตายเนี่ยลูกต้องเข้าใจตรงนี้หรือไม่โดยการสามีต้องทํางานเป็นกะต้องหามลุงหามค่ําและไม่ได้ค่อยกลับบ้านเนี่ย ปัญญาเข้าใจประเด็นนี้ไหมวิปัญญามีงานมีการซึ่งจะต้องอยู่ในเวลาที่ผิดปกติกลับมาอยู่กะเดือ ก, กะอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วมีเข้าใจหรือเปล่าลูกเข้าใจหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณของความเป็นครอบครัวซึ่งก็มาจากพื้นฐานความรักความเข้าใจกัน เคยมีญาตินะฮะก็เป็นลูกพี่น้องก็เป็นข้าราชการข่ายปกครองตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นผู้ว่าราชการเขามีพันยาคนหนึ่งนะฮะก็มีอาชีพเป็นนักธุรกิจ เราเห็นทันทีเลยว่าสองคนเนี้จะอยู่กันยากเพราะชีวิตนักธุรกิจมันคิดอีกระบบหนึ่งคือต้องไปหาลูกค้าต้องมีมนุษยสัมพันธ์สูงต้องรู้จักประนีประนอมประสานประโยชน์แต่นักปกครองนี่คนไปหาเขาแล้วก็มีความเป็นเจานานายย้าขุนมุญนาอยก็ยังนึกกันนะนึ ก, น ก, กว่าคงอยู่กันยาก แต่ในี่สุดก็เลิกลากันไปปัญหานี้คือปัญหาความไม่เข้าใจไม่เข้าใจในความเป็นของบุคคลเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นทํางานอย่างนั้นอพฤติกรรมต่างๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเพื่อเหมาะสมกับงานของเขาจะเขาให้มากลับบ้านตามเวลามันไม่ได้นะเพราะงานยังไม่เลย แต่แม้นี่ตรงนี้เราเราเราไม่ไม่ได้ปรึกษากันมันมีอยู่เยอะเลยกลายเป็นสุญยากาศของการอยู่ร่วมกันมันก็กลายเป็นความไม่สามาัคคีนั่นคือจุดย่อยที่สุดนะฮะคือครอบครัวนีพี้แต่เรามองจุดใหญ่วัดวาราองค์กรสถาบันกลุ่มกองต่างๆ ต, ง ต, งตลอดถึงกระทรวงตลอดถึงเป็นรัฐนะ คือยังมองยังมองยังมองด้วยความชื่นชมอย่างหนึ่งท่านรู้ฝังสังเกตไหมว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีตัวรัฐมนตรีเนี่ยมาวิจารณ์นายกเป็นมาหกห้าหกเดือนแล้วนะแล้วทุกคนรักหวงแขนแล้วก็ปกป้องอันนี้คือสิ่งที่ที่เราหาดูได้ยากนะะแล้วก็รัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยก็เคยอย่างนั้น ว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยไม่เคยได้ยินวิจารณ์ตัวนายกของตัวเองนี่คือหลักการในการดูร่วมกันนั่นก็หมายความว่ามันมีสามัคคีภาพสามัคคีคือสามัคคีรถนะฮะมันจะเป็นการประสานประโยชน์อะไรก็ไม่รู้แต่เราก็ชื่นชมแต่บางทีเนี่ยรัฐมนตรียันที่ญี่ปุ่นแลวนี้รัฐมนตรีต่างประเทศ ตอนต้นเดือนสิงหาเนี่ยรัมนตรีต่างประเทศมาขัดแย้งการรับนายกรมนตรีอยู่เนี่ย้านการทำความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่การนำออกมาพูดเขาเรียกอะไรละ่ะโบราณเนี่ยเขาห้ามแต่เวลาเนี้เข้ามาอยู่ในสังคมไทยเยอะแล้วกลายเป็นปัญหาหน่ากลัวสาวไส้ให้กากิน คือยุคสื่อสารมวลชนมีอิสระเสรีภาพจนไม่ร้ายขอบเขตนะครคล้ายๆกับเป็นอภิสิทธิชนอีกชั้นหนึ่งในแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวพอเรื่องที่ควรจะพูดหรือไม่ควรพูดเนี่ยเธอถือเป็นข่าวแล้วก็อ้างสิทธิไม่รู้เอามาจากไหนอ่ะนะสิทธิที่จะเสนอทุกข่าวเนี่ยเคยถามเมาืที่อนก่อน นักข่าวก็พูดในลักษณะนี้บอกไม่จริงหรอกคุณกระจดนิเทศเราไม่จริงหรอกสมมติว่าพ่อแม่เรามีปัญหานี่คุณจะเสนอหรือเปล่าก็ไม่เสนออา้าวแล้วเวลาพ่อแม่คนอื่นทำไมคุณเสนอทำไมนี่คือปัญหาปัญหาที่ว่ามันไปต่อกลิ้นให้เกิดความแตกแยกกัน ก็าในการส่งเสริมสามาัคคีนี่หลักการสำคัญว่าพื้นฐานความรู้สึกต่อกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ความสามัคคีมันเรื่องคนกับคนการประสานกันโดยความมีน้ำใจคือมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อกันนั้นก็ที่จริงก็มาเมตตากรุณาเมิตาเบกขานั่นแหละแต่มันออกมาเป็นพฤติกรรมแล้วเน้นที่เมตตาพุทธะทรงสแสดงหลักเขาเรียกว่าสาานิยธรรม คือธรรมะที่เชื่อมโยงจิตใจของบุคคลเนี่ยให้เป็น น, นังนงองเดียวกันเป็นหลักการในการสร้างความรักสร้างความเคารพแล้วก็ยุติการทะเลาะวิวาดกันเมื่อ ร, รักกันหรือเคารพ ก, กันไม่ทะเลาะวิวาดกันมันก็จะเกิดอาการสงเคราะห์กันเมื่อสงเคราะห์กันก็มีความรักให้ผูกพันกันเชื่อมโยงกัน กลายเป็นอาการเรวเรียกว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนอกท่านท่านจะฟองนอกไว้รักท่านท่านจะครองความรักเรานาสามสิ่งทีเป็นไวร์ด้ผู้ทรชนก่อนมาถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นสามะคีเอกภาพทางความคิดทางกิจกรรมนำผลประโยุน์ก็จะเกิดขึ้นแต่ปัญหาว่าทำยังไงจะเกิดขึ้นมาได้ ธรรมะที่ควรจะรักษาถ้าไม่รักษาก็ต้องเพิ่มพูนขึ้นนะฮะหมายความมาถ้ายังไม่มีก็ต้องใช้หลักภาวนาประทานถ้ามีแล้วก็ใช้หลักอนุรักษณะอนุรักษณาประทานนั่นก็คือเมตตาที่แสดงออกสัมผัสได้เป็นรู ป, ปรธรรมตรงใช้คำว่ามเมตตากายกรรมมัง่งคือทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคนเนี่ยให้ทําโดยเมตตา มุ่งประโยชน์มุ่งเกื้อกูลมุ่งความสุขแก่เขาเป็นที่ตั้งจะทำอะไรจะพูดอะไรทำไปแล้วพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะรับประโยชน์อะไรเวลาพูดเนี่ยก็พูดด้วยเมตตาวาจิกรรมแล้วใจว่ารเรื่องบางเรื่องคือเราไม่รู้เพาเราไปพูดได้ไงมันก่อนมีนะักข่าวก็โทรมาสัมภาษณ์เรื่องพระราชบัญญัติคณะสง เขบอกอยังไม่รู้ไม่รู้ว่ามันฉบับมันเป็นยังไงข้อความยังไงกี่มาตรารอะไรแต่ใดเนี่ยเรายัางไม่รู้พอดูสับสนคล้ายๆก็มีหลายมาตรกานะฮะที่ดูข่าวเนี่ยคล้ายจะมีหลายมาตราแล้วที่อยู่ที่รัฐบาลเวลาเนี้ยมันคือคือฉบับไหนเพราะยิ่งก็เคยเห็นอยู่หลายมาตรารนะแต่ความซื้อพิมพ์หรือมันดูไม่ใช่อะ่ะหรือเราก็ไม่แน่ใจอะไอ้เนี้ยคือ ถ้าเราไม่รู้เราก็พูดไม่ได้ก็ขอยวิจารณ์ว่าวิจารณ์ได้อย่างไรวิจารณ์แล้วเขาต้องรู้ก่อนมันต้องมีเมตตาจิตเมตตาจิตต่อผู้ทาสิ่งเหล่า น, นั้นได้ต่อบุคคลทั้งหลายและถ้าเราวิจารณ์ไปมันก็ไปเพิ่มข้อมูลสับสนขึ้นมาอีกข้อหนึ่งเพราะเราก็ไม่รู้แล้วเราเองก็เป็นบาป ที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือพื้นฐานมาจากเมตตามโนกรรมความคิดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเราคิดต่อการคิดยังไงคิดด้วยความเป็นพระภิกษุเนี่พระพุทธเจ้าทรงมองว่าเพื่อนสัปปามาจา ร, รีบ้างคือผู้ประพฤติธรรมร่วมกันแล้วก็ประพฤติปรมจารร่วมกันนะฮะเรียกว่าสาธ ร, รมิกแปลว่าประพฤติธรรมร่วมกัน คือเราจะเป็นยังไงก็ตามแหละที่แน่นอนที่สุดเราต้องเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันน่ยร่วมโลกไปกันเนี่ยเราอาจจะไม่เป็นไม่เกี่ยวข้องกันอย่างอื่นแต่ว่าการร่วมโลกการร่วมชาติร่วมศาสนาร่วมพระมหากษัตริย์เนี่ยอาจจะร่วมกันบ้างไม่ร่วมบ้างแต่ว่าร่วมโลกกับร่วมเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันต้องร่วมกันแน่นอนเพราะเมื่อพูดถึงหรือพูดด้วยก็พูดกันด้วยเมตตามันอาจจะมีการท้วงติงตัก เตือนห้ามปรามแต่มันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ก็พูดได้นะฮะเพราะว่าหลักการสาคัญเนี่ยเขามองที่ตัวประโยชน์ทันเรื่อเมตตาวาจาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องพูดเฉพาะที่มันไพเราะอ่อนหวานอย่างเดียวบางครั้งอาจจะมีการตําหนิท้วงติงดุดาห้ามปรามตักเตือนหรือบางคราวบางคราวก็อาจจะใช้วิธีประจานอะไรก็ได้นะ ถ้าเราทำด้วยความเมตตาต่อเขาเนี่ยคือคนบางคนฝึกยากมันก็มีวิธีในการฝึกแล้วสรุปเราทำไปด้วยเมตตาแล้วก็เป็นการเฉลีย่ยผลประโยชน์ต่างๆมีการสมเคราะห์กันด้วยวัตถุสิ่งของเนี่ยโดยการอนุเคราะห์บ้างโดยการสมเคราะห์บ้างแบ่งกันกินแบ่งกันใช้บ้างเขาเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขาบ้างเนี่ย ไอ้เ น, นี่ยคือการผูกพันน้ำใจคือสิ่งที่ให้บางครั้งเนี่ยมันได้จังหวะคือให้ไปถูกจังหวะพอดีแล้วถ้ า, ถาค่าของเงินเนี่ยที่จริงไม่มากแต่ค่าของน้าใจเนี่ยมันมากจนคนกาลังประสบปัญหาเนี่ยเราก็ไปช่วยเขาก็ไม่มากอะไระแต่ว่าถ้าไม่มีตรงนั้นเขาอันตราย ตรงนั้นกลายเป็นเรื่องมีค่าสมหรับเขาหลักการในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าพระเนี่ยคือถ้าเรามองดูให้ดีนะเราเป็นคนวงในแล้วก็โดยดีเขาคิดพิจารณาคล้ายๆกับเป็นสร้างสังคมตัวอย่างสังคมต้นแบบขึ้นมาคือให สามารถจะอยู่ได้คุณจะเป็นใครมาจากไหนกับตามวันน้าวันเน อ, อะไรต่อะไรต่อตาเราจะเห็นว่าพระรานี่มีทุกวันนะแล้วก็ที่ไปที่มาเนี่ยจะแตกต่างกันเลยบางทีในลูกกรรมกรในลูกกรรมกรลูกตาสีตาสายใมาใจมีเนี่ยแล้วก็ได้บวชพระก็จะเริญเติบโตขึ้นมามีพรรษายุการเป็นอุปชญ า, าอาจารย์ก็อาจจะบวชเจ้านาย เป็นพระองค์เจ้าเป็นเจ้าฟ้าเป็นอะไรก็ตามก็เรามีอยู่ในประวัติศาสตร์ถ้าเราสังเกตว่า น, นี้ก็คือคือหลักการที่คล้ายๆกับสร้างสังคมต้นแบบขึ้นมาว่ามนุษย์ที่จริงเนี่ยสามารถอยู่ได้แต่ว่าเธอต้องเอาใจเชื่อมใจนาะเธอต้องมีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจออกมาแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่าอยู่ร่วมกันก็แสดงความ เอพื่อเผื่อแผ่อบอ้ามารีโดยเฉ้าพ่อคือสังคมเนี่ยเคอได้ยินพระบ่นอยู่บ่อยตอนเนี้ยคือพระผู้น้อยถุเพี่ออะไรเรีออยออะไรกันเยอะนะฮะเรื่ออะไรมากสังคมพระนี้เรื่ออะไรน่าดูนะฮะอย่าอย่าคิดว่าจะโดยได้ไ่องะไรเจ้าพ่อยอมนะฮะแต่นั่นก็คือสังคมแต่จริงๆพระผู้น้อยเนี่ยเขาก็ไม่มีกำลังมากพอที่จะไปช่วยเหลือ ที่จะไปกระทําอย่างนั้นก็แน่นอนเนะ่ยมันอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นคือทํำยังไงว่าไอ้เนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยเมตตาเนี่ยไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งเมตตาแต่เมตากันทุกคนเมตตาต่อกันนะฮะเป็นเมตตาต่อกันเมตากันและกันไม่ใช่ว่ากะเกณฑ์ว่าให้ผู้น้อยเสียสละเพื่อผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่เสียสละเพื่อผู้น้อยไม่ใช่ก็ต้องเสียสละได้กัน ปัญหาที่มันเกิดถ้าเราลองสังเกตเนี่ยนะคือสังเกตมานานแล้วนะว่าสังคมเราชอบกดเนี่ยมันเป็นสังคมผู้น้อยเลี้ยงผู้ใหญ่โดยเฉพาะบางทีแม้แต่สังคมพระเองเนี่ยวันเกิดพระผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ต้องเอาไปถวายวันข้าวพรรษาก็ต้องเอาไปถวายวันเกิดของเราก็ต้องเอาไปถวายวันปีใหม่ก็ต้องเอาไปถวายเอแล้วผู้ใหญ่ให้เราตรงไห น, น อันนี้คือสังคมไม่ได้คิดเนี่ยแล้วมันมันมันเป็นแบบที่ไปจําลองมาจากข้างนอกลองสังเกตนะะว่าวันเกิดผู้ใหญ่อะไรอะไรเนี่ยผู้น้อยขนไปให้ท่าน ร, ระลึกเพลยเลยแต่วันเกิดผู้น้อยนีย่ผู้ใหญ่เอามาให้บัง้งเป่านั่นคือสิ่งที่ต้องคิดเนี่ยเพราะว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันเป็นกุญยาปฏิกิริยา แต่บางทีอุปัชญ า, าอาจารย์เนี่ยก็ทำหน้าที่แค่บวชแล้วก็จบเลยไม่สั่งซ้อนไม่สงเคราะห์ไม่อนุเคราะห์อะไรเลยบวชเสร็จก็จบเป็นอุปัชชาเป็ดแล้วก็ผู้น้อยก็ต้องตอบแทนบุญคุณทดแทนบุญคุณสารพัดนะนี่คือปัญหาว่าช่องว่างตรงเนี้ยถ้าเราแก้ไม่ได้ในโอกาสต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบธุรกิจไปหมดแม้แต่รุมรับโรงเรียนเนี่ยนะฮะรรับโรงเรียนถ้าเราถ้าเราไม่คิดได้ดีแล้วเนี่ย เพื่นฐานที่ขาดการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยในที่สุดเนี่ยโรงเรียนก็จะกลายเป็นธุรกิจนักเรียนนักศึกษาก็จะมาซื้อวิช า, าจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็กลายเป็นพ่อค้าขายขายขายขายอันนี้ก็ซื้อซื้อื้ อ, อแล้วก็กลับแล้วก็จบไม่มีความผูกพันทางกานั่นคือจุดที่เป็นอันตรายเพราะว่าในแนวการอยู่ร่วมกันเนี่ย เราจะเห็นว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผู้ใหญ่สงเคราะห์ผู้น้อยก่อนนะแล้วเมื่อผู้น้อยจเจริญเติบโตขึ้นมาก็ทดแทนคุณผู้ใหญ่เป็นรูปของกิริยาปฏิกริยาเพราะแนวตรงนี้พระเจ้าทรงสอนในแนวกิริยาปฏิกริยาแล้วก็ไม่จํากัดวัยนะะไม่จํากัดวัยของบุคคลแล้วก็อยู่ในศีลเสมอกันอยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆเสมอกันเราเรียกว่าศีลสามัญญาตา แล้วก็ปรับความเห็นให้ยุติในแนวเดียวกันหมายความไม่ใช่เห็นกันเป๊ะจงทุกตัวนะฮะแต่แต่แตว่าความเห็นหลักๆเนี่ยก็เห็นหลักๆเราต้องรักษาไว้เช่นเช่นเนี้ยเช่นความรู้ระดับพยานของพทธเจ้าเนี่ยเรื่องสังสารวัฏเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยมันมันมันไปขัดแย้งกันไม่ได้อะ ในหมู่พระแล้วใครจะไปพูดเอานิพพานไปไว้ในที่ใดที่หนึ่งมันไม่ได้มันไม่มีในศาสนาทิฏฐิมันก็แตกมันกอรกร็เตือนกรมวิชาการ้าไปก็เขานิ ม, มนต์ไปไประชุมที่จึงกรมาการศาสนาะนิ ม, มนต์มาประชุมร่วมของเขานะน่าก็ต้องพอสังเกตไปบอกว่าไอเนื้อหาหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนานี่เราเป็นห่วงเพราะเขาจะใช้คําคล้ายๆกับเป็นแนวให้เอาไปเขียนเอา ัวข้อธรรมะเหล่านั้นให้นําไปอธิบายเอาไอสอดคล้องกับพื้นถิ่นเหล่านั้นบอกว่าไม่ได้อ่ะวิชารู้กศาสนาต้องเป็นวิชากลางแล้วเป็นนักวิชาการทางบัพติศานาโดยเฉพาะแล้วต้องยุติดต้วยภาษาปิฎกสามารถที่จะถามหาที่ภาษาปิฎกได้ว่าอยู่ตรงไหนข้อความนั้นอาจจะร้อยเรียงเป็นภาษาไทยเรียบร้อยโดยไม่มีกลิ่นไอของภาษาบาลีอยู่ก็ได้ เนื้อหานั้นจะต้องยุติด้วยภาษาบาลีโดยเฉพาะเนื้อหาไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอธิบายเพราะเวลาเนี้ศาสนาคุธเราเนี่นะะมีปัญหามากที่ว่าเราเป็นเทราวาดคือยึดถือวาทะของพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ว่าปฏิบัติการทั่วไปมีเข้าของอาจริวาที่จะเยอะมากเชิดชูลุก อาจารย์ตัวเองแบกอาจารย์ตัวเองใส่โปกไปด้วยนะฮะใส่บาบไปด้วยไปถึงก็เชิดชูทุกแห่งแล้วพระพุทธเจ้าไปวางไว้ที่ไหนนี่คือปัญหาเพราะถ้าเราสามัคคีเนี่ยถ้าเราสามัคคีกันเนี่ยต้องอยู่ในศีลที่เสมอกันและทิฏฐิเสมอกันนั้นเราสามารถสร้างสามาัคคีได้เพราะหลักการสารณ น, นยธรรมที่ทรงแสดงไว้เพียงหกข้อแตนั่นเองแต่อย่าลืมาฐานใหญ่เนี่ย คือฐานของเมตตาฐานของปัญญาแล้วก็ความมีน้ําใจคือเมตตามันออกมามันคือมีน้ําใจเองไม่ต้องพูดอนะไรเป็นการสะท้อนธรรมะออกมาให้เป็นรูปธรรมเราต้องการทั้งหมดความรักกันเราก็ต้องการเคารพกันก็ต้องการไม่ทะเลาะกันก็ต้องการสงเคราะห์กันก็ต้องการสามัคคีก็ต้องการเอกีภาพก็ต้องการ แต่เราไม่ได้สร้างเหตุตัวขาดแคลนตัวเหตุเนี่ยความเป็นเราเป็นเขาจึงปรากฏค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็น่าอึดอัดคือในที่บางแห่งเรารู้สึกอึดอัดมันเป็นบรรยากาศที่ชอบกนอัตมาเคยไปคร้วหนึ่งนะฮะคือเราไปรับรางวัลกิติคุณสัมผัสเงินเขารุ่นต้นๆ้น่นานๆสมัยท่านเบรม แล้วต่อมาเนี่ยมันมีอยู่คราวหนึ่งเขานิมนต์ไปในฐานะเป็นรุ่นก่อนนะก็เรามีความรู้สึกว่ามันมันสังคมเนี่ยมันบีบยังไงเชาวคนคล้ายๆก็ไม่จริงใจอะไรกันทั้งก็เสแสงเสแสงตีหน้าอะไรแต่อะไรออกมามั่นก็เลยก็ก็พอดีเราก็ไม่เคยไปอีกเลยนะมั่อนี้ความรู้สึกอย่างนั้นจริงเพราะอะไรเพราะว่าในที่บางแห่งเนี่ยมันมันจิตมันสัมผัสได้นะฮะ มันรู้สึกอึดอัะเพราะอะไรเพราะว่าอาการที่แสดงไม่ใช่จิตจิตไม่ได้สะท้อนมาจริงๆแต่เป็นการตีสีหน้าเฉยเยก็เรียกว่าก็ยิ้มก็ยิ้มไปอย่างนั้นเองแต่ถ้าเรามีปรับพื้นฐานอย่างนี้ได้เอกภาพทางความคิดทางกิจกรรมทางผลประโยชน์มันก็เกิดขึ้นมาได้แล้วคนเราจะ ให้เกียรยกเยรื่องกันเคารพกันรักกันในกันไม่ใช่ว่าให้ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่อย่างเดียวนะผู้ใหญ่ก็ต้องเคารพผู้น้อยนะะโดยหลักการปฏิบัติแล้วเนี่ยไหวยก็ไหายตอบเลยทำสามีจีกรรมก็ทําสามีจิกรรตอบไม่ใช่ว่ากะเกณฑ์ให้ผู้น้อยเท่านั้นที่จะต้องปฏิบัติเป็นธรรมะสําหรับคนทุกคนทุกชีวิตในโลกนี้นี้ก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การอนุรักษ์ณาประทางคือเปลี่ยนพยายามรักษาไว้อีกชุดหนึ่ง ต้องฟังทั้งหลายใต้ร่มพมโหติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความจเจริญง่องามไปบูุ์ในธรรมก็มีแด้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี